ความเศร้าโศกเกิดจากความไม่รู้และเกิดจากความกลัวขอให้ท่านพิจารณาถึงความจริงต่อไปนี้คือในกรณีที่บุคคลเกิดความเศร้าโศกนั้นเป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่รู้และคิดว่าไม่อาจจะรู้ได้อีกด้วยว่าผู้ที่จากไปนั้นได้จากไปสู่สภาวะเช่นไรดังนั้นเขาจึงมีความกลัวอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ซึ่งไม่ใช่กลัวสำหรับผู้ที่จะจากไปโดยส่วนเดียวแต่เป็นการกลัวสำหรับตัวเองอีกด้วยเพราะมันทำให้เขารู้สึกแน่ใจว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจากร่างที่นอนสงบอยู่เบื้องหน้าของเขานั้นทำให้เขาได้สำนึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอนาคตของเขาก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันนั้นสาเหตุแห่งความทุกโศกหรือความหวาดกลัวของมนุษย์ ก็อยู่ที่จุดนี้ลหละเป็นส่วนมากคือเขาเห็นแต่กายเนื้ออันหาชีวิตไม่แล้วที่ได้นอนนิ่งอยู่เบื้องหน้าเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งต่อไปอีกถึงเรื่องของวิญญาณที่เดละกายเนื้อไปแล้วหรือถึงเรื่องของโลกทิพย์ที่วิญญาณจะต้องเข้าถึงในการต่อไปเมื่อมีรู้ก็เกิดความรู้สึกหวาสะดุง้งและคิดไปในทางที่ไม่เป็นมงคลต่าง ซึ่งล้วนแต่จะทำให้ความหวาดเสียวในสภาวะเช่นนั้นเพิ่มขึ้นทุกทีความหวาดกลัวเช่นนั้นเองที่ทำให้เกิดการนึกวาดภาพอันนาหวาดเสียวและไม่เป็นมงคลที่ดีขึ้นในจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็ออกมาจากอารมณ์ของตนเองนั่นเองเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าความตายได้เป็นของมีคู่กันมากับความเกิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แม้กระนั้น มนุษย์ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะยินดีสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความตายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วนั่นเลยโดยมากก็พูดกันเป็นทํานองว่าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีหนทางจะรู้ได้แม้ว่าอยากจะรู้ก็ตามบางจำพวกก็เลยยินดีที่จะปล่อยตัวให้จมอยู่ในความคลาเช่นนั้นตลอดไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ซึ่งก็หมายความว่าเขาได้ตายไปพร้อมกับความเคารเหมือนเมื่อตอนที่เขาได้เกิดมานั่นเองสําหรับบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้เรื่องของความตายและโลกหน้าจะเป็นเสมือนฝันร้ายที่คอยคุกคามจิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าเชื่อว่าหากบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสรู้สภาวะแห่งความจริงดังกล่าวมาบ้างตามสมควรแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในทางจิตใจแก่เขาเองไม่น้อยทีเดียวสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความกลัวมากก็คือความคิดที่ว่าในตอนที่ร่างกายจะถึงแก่ความตายนั้นจะต้องมีความเจ็บปวดและทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเกิดขึ้นความจริงไม่ได้เป็นเช่นนี้คนส่วนมากเกิดความกลัวก็เพราะไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ การศึกษาให้รู้ความจริงนี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าการมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเพราะแม้ศรัทธาจะเป็นคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่งก็ตามแต่ปัญญาก็เป็นปัจจัยที่จะขาดเสียไม่ได้เพื่อมีให้ผู้มีศรัทธาอย่างเดียวต้องหลงทางดังนั้นเมื่อเราคิดว่าวิญญาณที่กําลังละ ก, กายเนื้อเพื่อเข้าสู่โลกทิพนั้นเป็นเสมือนการเดินทางอย่างหนึ่งแล้ว เราทั้งหลายที่ไปคอยส่งวิญญาณ น, นั้นก็ควรไปส่งด้วยความรู้สึกที่จะให้ผู้นั้นได้เดินทางไปด้วยความสวัสดีไม่ใช่ไปส่งเขาด้วยการแสดงความเศร้าโศกคร้่อครวนซึ่งการกระทำเช่นนั้นเองจะเป็นสิ่งอับปมงคลอย่างแท้จริงทีเดียวอีกอย่างหนึ่งการที่บุคคลไปที่ป่าช้าบ่อยๆนั้นก็เป็นการไม่ดีเหมือนกันเพราะเมื่อบุคคลผู้นั้น เฝ้าแต่คร่ำครวญถึงผู้ที่เป็นที่รักซึ่งหาชีวิตไม่แล้วซึ่งร่างกายของเขาถูกฝังอยู่ใต้ดินห่างจากตนเพียงช่วระยะไม่กี่ศอกนั้นอปปปาติกาที่กลับมาสู่โลกมนุษย์ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปลอบประโลมใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้สร่างโศกแต่แล้วก็จะต้องได้รับความทรมานใจอย่างแสนสาหัสในเมื่อปรากฏว่าเสียงที่เขาพูดออกไปนั้น อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ยินเลยโดยในยะนี้ประสาจิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าและอาลายัยจะวกกลับมาในระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่กันและการอย่างมากอันที่จริงพวกเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะให้เกิดความทุกข์ทรมานเช่นนั้นแก่มนุษย์เลยแล้วเราก็ได้พยายามที่จะตักเตือนหรือห้ามปรามเขาอย่างสุดความสามารถ เนื่องจากเรามีความสามารถอยู่ในขอบเขตจากัดเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยังดึงดันไม่ยอมรับรู้ความปรารถนาดีของเราเราก็จำเป็นต้องปล่อยเขาไว้ตามยถากรรมจนกว่าเขาจะได้รู้สํานึกตนเองในภายหลังแต่สาหรับบุคคลที่ยอมเชื่อฟังเหตุผลของเราก็จะได้รับความโล่งใจและไม่ต้องประสบความทุกข์ร้อนโดยไม่จาเป็น หากจะพูดกันในทัศนะของพวกเราเชาวโลกทิพย์อย่างแท้จริงแล้วเราก็คิดว่าหากเป็นไปได้ในโลกมนุษย์นั้นไม่ควรมีประชา้าหรือพิธีกรรมหรือสถานที่อันชวนให้บุคคลนึกถึงความตายในด้านที่ไม่เป็นมงคลนั่นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้บุคคลผู้เขาต่อความจริงต้องได้รับความทุกข์ทรมานทางใจโดยไม่จาเป็นและนอกจากนั้นยังทาให้ภารกิจของพวกเรา ยากลำบากขึ้นอีกหลายเท่าโดยเฉพาะในเรื่องดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าใกรที่จะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าชาวโลกมนุษย์โดยมากตีราคาสติปัญญาของตนเองสูงเกินความจริงข้าพเจ้าไม่อาจพิสูจน์ที่ท่านเห็นความจริงข้อนี้ได้ในบนัดนี้นอกจากว่าท่านจะต้องมาเป็นชาวโลกทิพย์เช่นเดียวกับข้าพเจ้าเสียก่อนเพราะในโลกทิพย์นี้ เราจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งเหลือเกินว่ามนุษย์ส่วนมากเป็นผู้เข้าต่อความจริงในโลกทิพย์เพียงใดบ่อยครั้งพวกเราเองก็แทบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นอย่างไรก็ตามเท่าที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราชาวโลกทิพย์จะเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่ผิดเสียเลยและมีความรอบรู้ไปหมดทุกอย่างอันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้น แต่ที่ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจแทนชาวโลกมนุษย์ส่วนมากก็คือทั้งๆที่เขามีโอกาสที่จะเรียนรู้ความจริงเรื่องของโลกทิพย์ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ส่วนมากก็กลับไม่สนใจใยดีเพราะคิดเอาเองว่าตนรู้ดีแล้วแต่เมื่อเขาผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์และได้ระลึกย้อนหลังไปเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เขาก็จะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปล่อยโอกาสอันดีให้ล่วงเลยไปอย่างน่าเสียดาย และในบรรดาความทุกข์ทางใจทั้งหลายนั้นความเดือดร้อนใจหรือวิปฏิสา น, นั้นเป็นสิ่งที่รุนแรงและทรมานเหลือเกินดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้แล้วว่าพวกเราชาวโลกทิพย์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะรอบรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าไม่เคยทำอะไรผิดเลยแต่พวกเรามีข้อได้เปรียบอยู่ประการหนึ่งคือว่าเราอยู่ในสภาวะ ที่สามารถจะลายเห็นความจริงและลึกซึ้งกว่าและไกลกว่าพวกท่านที่อยู่ในโลกมนุษย์ไม่มากก็น้อยดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์กําลังกระทําผิดซึ่งจะเป็นผลร้ายแก่เขาเองในภายหลัง <c oughs> ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เรามีความกระหายเป็นอย่างยิ่งที่จะตักเตือนให้เขาเห็นความผิดและชี้ช่องทางที่ถูกให้ <c oughs> เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องรับผลร้ายที่เขานึกไม่ถึง แต่นั่นแหละเป็นที่น่าเสียใจว่าส่วนมากมนุษย์ทั้งหลายก็ทำหูทวนลมไม่ยอมฟังหรือเชื่อตามคำแนะนำของเราเลยและก็ขืนกระทาไปในทางที่ผิดจนได้เมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องได้รับผลร้ายจากการรมที่เขาก่อไว้เองยังไม่มีใครสามารถช่วยได้เลย อันที่จริงกระบวนการแห่งธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าความตายนั้นย่อมจะเป็นเรื่องของแต่ละคนและอย่างน้อยช่วระยะหนึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องผ่านเองโดยไม่มีใครมาช่วยตายแทนได้ก็ตามแต่ระยะหรือขอบเขตที่พวกเราสามารถจะช่วยได้ก็มีอยู่เหมือนกันและเมื่อถึงระยะหรือขอบเขตนั้นพวกเราก็พร้อมเสมอไม่เคยล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือเลย ระยะเวลาดังกล่าวนี้ได้แก่หลังจากที่สายใยแห่งชีวิตซึ่งเชื่อมโยงระหว่างกายทิพย์กับกายเนื้อให้ติดอยู่ด้วยกันนั้นได้ขาดสะบ้านลงแล้วการขาดของสายใยดังกล่าวมานั้ น, น, นก็เป็นไปโดยกระบวนการของธรรมชาติอย่างแท้จริงทํานองเดียวกันกับใบไม้ร่วงจากกิ่งของต้นไม้ฉะนนั้นและระยะเวลาหลังจากนี้เองที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือของพวกเราก็เป็นการเสนอให้เท่านั้นคือหมายความว่าพวกเราไม่ยัดเยียดให้การช่วยเหลือแก่ผู้ใดโดยผู้ที่ได้รับไม่ต้องการแต่จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับมาตั้งแต่ต้นก็แสดงว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือของพวกเราตรงกันข้ามรู้สึกว่าทุกคนก็ยินดีจะมอบตนเอง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยความเต็มใจจากการที่เราทั้งสามคือเอ็ดวินรูตและข้าพเจ้าได้มีภารกิจในการนำวิญญาณของผู้มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆเช่นนี้จึงทำให้เราได้มีมิสหายใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นจนวนมากหลายตนหลายท่านเหล่านั้นได้ลืมตาขึ้นเห็นพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นคนแรกในโลกทิพย์ หลังจากที่เขาได้หลับตาเป็นครั้งสุดท้ายในโลกมนุษย์แล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะถือว่าเราเป็นมิตรแท้ในยามยากเพราะในขณะนั้นเป็นเวลาที่เขากำลังต้องการผู้ช่วยเหลือและผู้ประคับประคองเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแม้ภารกิจของเราบางครั้งอาจจะค่อนข้างลำบากและเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างก็ตามแต่สายตาของพวกเขาเหล่านั้นที่มองดูพวกเราเพื่อขอให้เราเป็นที่พึ่งของเขาก็ดี และที่เขาได้มองดูพวกเราด้วยความขอบคุณในคำอธิบายต่างๆของเราก็ดีล้วนเป็นผลตอบแทนในความยากลำบากในความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราอย่างคุ้มค่าทีเดียวเราทราบดีว่าความรู้สึกขอบคุณดังกล่าวนั้นออกมาจากน้ำใสใจจริงอย่างลึกซึง้งเท่าที่แล้วมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเฉพาะผู้ที่จากโลกมนุษย์มาสู่สุคติภูมิของโลกทิพย์เท่านั้น อันที่จริงเราก็คอยเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิเช่นเดียวกันเพราะหน้าที่ของเราคือการคอให้ความช่วยเหลือแก่ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้โดยม่เลือกหน้าเป็นแต่ว่าในบางครั้งแม้เราใคร่ที่จะให้ความช่วยเหลือสักปานใดก็ยังไม่สามารถจะกระทําตามที่หวังได้เพราะสภาพแพงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ยอมเปิดรับความช่วยเหลือของเราเสเลยในกรณีเช่นนี้ก็เป็นอันว่าหมดหนทางช่วยเหลือแล้วเราก็จำต้องทนมองดูผู้นั้นเดินทางผ่านเข้าไปสู่อบายภูมิไปตามยถากรรมของเขาเองแต่ในขณะใ ด, ดที่เราละเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นในดวงวิญญาณของเขาแม้สักเล็กน้อยก็ตามเราก็จะพยายามหาทางช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ประกายแห่งแสงแม้เล็กน้อยนั้นลุกโพล่ขึ้นในดวงจิตของเขามากขึ้นเท่าที่จะทำได้หมายเหตุผู้อ่านเรื่องที่ว่ามีการแนะนำตักเตือนนั้นเป็นการส่งกระแสจิตมาให้นะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์ตรงว่า อยู่ดีๆก็นึกคิดอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่คิดว่าเราจะนึกได้เลยหรือรู้สึกเหมือนว่ามีความคิดบางอย่างผุดขึ้นที่ไม่ใช่ความคิดของเรานี่เป็นตัวอย่างของการเพ่งราษาจิตจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาให้เรานะครับที่ท่านบอกว่ามนุษย์ไม่ฟังและคืนทำต่อไปนั้นก็คือท่านส่งความคิดมาให้แล้วความคิดนั้นผุดขึ้นแล้วในใจเราแต่เป็นธรรมดาว่านิสัยของคนเรานั้น มักทำอะไรตามความเคยชินส่วนใหญ่แม้มีความคิดดีๆผุดขึ้นก็ยังไม่มากพอที่จะหักห้ามใจตนเองครับทั้งนี้ความคิดที่ผุดขึ้นก็ไม่จาเป็นเสมอไปว่าต้องเป็นโอปปาติกะส่งกระแสจิตมาให้บางครั้งก็เป็นมโนสำนึกของเราเองเรื่องของพิธีศพนั้นขอทรากไว้หน่อยนะครับว่าให้สังเกตว่า ท่านที่บริจาคร่างกายหลังตายทันทีนั้นจะเห็นได้ว่าค่อนข้างได้เปรียบอย่างมากเพราะการทิสละร่างไปให้นักศึกษาแพทย์หรือนำอวัยวะไปช่วยเหลือคนต่างๆนั้นทุกคนย่อมรู้สึกถึงบุญนั้นยิ่งใหญ่ได้เมื่อนึกถึงผู้ตายจึงนึกไปในทางกุศลได้ง่ายกว่านะครับในความเห็นของผู้อ่านกรณีที่บริจาคทั้งร่างกายนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ดีแก่ผู้ตาย คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการเอาศพมาตั้งรถน้ํารอเผาการมาเสียเงินจํานวนมากเพื่อจัดพิธีศพอลังการแต่กลับแทบหาประโยชน์อะไรไม่ได้กลายเป็นงานที่มีแต่คนมาชุมนุมกันก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเกิดเป็นกระแสใหญ่จุดดึงผู้ตายให้ทรมานหนักขึ้นนะครับตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในยุคโควิดนั้นเมื่อตายแล้วเผาทันทีในวันนั้นเลยแล้วค่อยมาทําบุญส่งให้ผู้ตายในภายหลังถ้ามองกันตามจริง จะเป็นผลดีต่อผู้ตายได้มากกว่าอีกนะครับ